ที่ไหนเวลาใดนะก็ปฏิบัติธรรมได้รวมทั้งเวลาอาหารด้วยนะไม่ใช่แค่ระหว่างที่เรารอเราก็เจริญสติไปเท่านั้นนะขณะที่กำลังกินอยู่ก็เจริญสติได้สังเกตไหมปกติเวลาเรากินอาหารเนี่ยปาก เ, าเคี้ยวแต่ว่าใจลอยใจลอยนนคิดไปโ น, น่คิดไปหนี้อันนี้เราว่ากินยังไม่มีสติแล้วนะนะ เรียกว่าลืมตัวนั่นเพียงแค่เรานะผาใจกลับมาอยู่กับตัวเองขณะที่เคี้ยวก็รู้ว่ากําลังเคี้ยวอยูนะ่หรือว่าขณะที่มือกําลังเอื้อมไปตาอาหารนะเราก็รู้ไม่ใช่คิดเอานะแต่มันเป็นความรู้สึกที่รู้ได้เหมือนกับเวลาเรากินอาหารแล้วก็ ร, รู้ว่าอาาร่อยเนี่ย คำว่าอร่อยเนี่ยมันรู้สึกเองเราไม่ใช่ว่าคิดเอาทดลองเดยกการเวลาเรากินอาหารเราก็รู้สึกตัวไม่ต้องไปแต่คิดเอาว่าฉันกำลังเคี้ยวฉันกำลังกินอาหารขณะที่เคี้ยวก็รู้ว่าเคี้ยวนะอันนี้ก็เรียกว่ารู้กายกินอาหารที่อร่อยนะก็เกิดความเพลิดเพลินก็รู้ใจว่าเนี่ยกำลัง เพิเ่มเติมนะอยากกินอีกอยากาได้อีกนะอันนี้เรียกว่ากิงแค่รู้ว่าใจมันชอบใจมันอยากนะอันนี้ก็เป็นการเจริญสติด้านกนัอันนี้เรารู้ใจรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนิด เ, เป็นการเจริญสติได้เวลากินอาหารบันเผ็ เกิดความไม่พอใจเกิดโทสะขึ้นมาน ก, ก็รู้ทำอารมณ์ที่เกิดขึ้นใ น, นการเจริญสติมันสามารถจะทําได้ในขณะที่เรากินอาหารรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตรู้ทั้งเวทนาไม่ใช่ว่าจะต้องมาเจริญสติแต่เฉพาะเวลาเดินจงกรมหรือสร้างจังหวะแม้ว่ามือไม่ได้สร้างจังหวะไม่ได้เท้าไม่ได้เดินนะแต่ว่าการปฏิบัติก็เกิดขึ้นได้ เพราะว่าสิ่งสำคัญยู่ทใจนะเราใช้ใจอย่างไรเราวางใจอย่างไรขณะที่เราเข้าคิวร อ, อตักอาหารนะนั่นนี่ก็มาดูใจของเรานะว่าใจเราเป็นยังไงนะอยากจะให้คิวนะมันสั้นๆหรือว่าอยากจะให้คนข้างหน้าเขาตักเร็วๆจะได้ถึงคราวของเราบ้างบางทีก็ไม่พอใจที่คนตักข้างหน้าช้าข้างหน้าเขาตักช้าแล้วก็ ไม่พอใจอ่ะอย่าไปปล่อยให้ความไม่พอใจมันเล่นงานใจของเราก็ให้รู้ทันมันนะมันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นไม่ได้ไอ้ความไม่พอใจแต่หน้าจริงเราคือรู้มันดูมันเวลาเห็นของอร่อยถูกเพื่อนข้างหน้าเขาตักกินไปหมดเลยนะเขาตักไปหมดเลยเรารู้สึกอย่างไรนะก็ให้รู้ทันความรู้สึกนั้นแนหะ การปฏิบัติธรรมมันทำได้ตลอดเวลาทุกที่นะและแต่ว่าจะปฏิบัติธรรมเรื่องอะไรปฏิบัติเพื่อให้เกิดสตินะเพื่อเกิดความอดทนเพื่อเกิดความเพียใพยายามนะหรือเพื่อเกิดความเมตาตากรุณาเวลาอาหารนี่ยัเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้น้อมใจใหเห็นค่าข อ, อาหารขอบคุณทุกชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์ นะจะรวมไปถึงพืชพันธุ์ยาอาหารด้วยที่ทําให้เราได้มีอาหารกิน <c oughs> เดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยกินด้วยสวามนึกในความรู้ค่ารู้คุณของอาหารเท่าไหร่เพราะเราคิดแต่จะกินเื่ออร่อยอย่างเดียวนะหรือกินเพื่อความสนุกสนาน <c oughs> เดี๋ยวนี้เราจำเป็นน้าที่ต้อง น้อมใจให้เห็นคุณค่าขอาหารนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การกินทิ้งกินขว้างมีเกิดขึ้นอย่างแย่ร้ายมากนะมีตัวเลขที่เห็นแล้วตกใจกันเขาบอกว่าหนึ่งในสามของอาหารที่เราซื้อนะหนึ่งในสามของอาหารที่เราซื้อเนี่ยเราทิ้งไปโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะซื้อมาสามมาทิ้งเป็นหนึ่งนะนี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้น จากการบริโภคของคนทั้งโลกมันเกิดขึ้นยังไงก็เกิดขึ้นอย่างเช่นไปซื้อผักซื้ออ า, อาหารซื้อเนื้อซื้อปลาจากตลาดมาแล้วก็ซื้อมาเยอะๆเพราะเห็นมันถูกเสร็จ <c oughs> แล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้เสร็จ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้เอามาปรุงมันก็เนา่านี่ก็เสียไปเยอะนะประการต่อมาคือที่ซื้อมาเนี่ยเราก็มาทาเป็นอาหาร แต่ว่าทําเยอะไปกินไม่หมดไอ้ที่เหลือนี่ก็ต้องทิ้งแค่นี้นี่ก็สูญหายไปเยอะแนละ้วเขาประมาณว่าไอท้ที่ไอแบบเนี้ยนะที่คนทั้งโลกเนี่ยซื้อแล้วไม่ได้เอามาปรุงเป็นอาหารหรือปรุงแล้วไม่ได้กินนี่ทั่วทั้งโลกมีประมาณสามร้อยล้านตันสาม้อยล้านตันนี้เลี้ยงคนอเริกาได้ทั้งทวีปเลยคนอเริกานี่หิวโหย ไม่มีอาหารกินแต่ว่าอีกส่วนอื่นของโลกนีกับกินทิ้งกินขวา้างอาหารที่เฉพาะอาหารที่ทิ้งนี่สามารถไปเลี้ยงคนได้900ล้านคนตลอดปีนะไอ300้300ล้าน300ล้านต่งอีคทอทั้งปีซึ่งสามารถจะเลี้ยงคนได้ทั้งทวีเลยคือ900ล้านคนแต่ว่าคนเหล่านี้ก็ ไม่ได้รับอาหารที่ควรจะได้ก็ตายกันไปไม่ใช่น้อยทั้งหมดนี้มันยังไม่ได้พูดถึงอาหารที่มันตกล้นกลางทางก่อนจะมาถึงก่อนจะมาถึงร้านนะข้าวที่ปลูกนะผลไม้ที่ปลูกตามสวนต่างๆนะที่ไม่ได้เก็บเอามาขายนี่ก็เยอะนะเพราะว่ามันไม่มันไม่มันไม่ได้มาตรฐานของพวกร้านค้าปลูกแล้วนี่ เอไม่รับซื้อก็เลยขี้เกียจเก็บก็เลยปล่อยให้มันเน่านะคาทุ่งคาสวนอันนี้เยอะนะหรือว่าเก็บมาแล้วตกหล่นระหว่างทางมานะทั้งการทั้งจัด ก, การขนส่งทั้งในกระบวนการจัดเก็บ มีตัวเลน่งนะ้าตกใจคือว่าข้าวนะข้าวข้าวที่ปลูกในเอเชียตะวเนหรือว่าประเทศแถวบ้านเราเนี่ยนะไทยเวียดนามพม่าลาวเขเมนผู้เนี้ยเอเชียตะวเนประมาณ4ี4่สดเซนเนีย่ยมันตกลงนสูญหายหรือหน่าเสียก่อนที่จะถึงล้านค้าคือเก็บมาแล้วก็ เวลาขนไอตอนขนก็ขนไม่หมดนะขนไม่หมดอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นอาหารของสัตว์ไปพวกนกพวกหนูทิ้งไว้ตามทุ่งตามนาไอระหว่างขนก็ตกหล่นเลียนล่าแล้วพอมาเข้ายุ้งเข้าช้างก็เก็บไว้จนเสียเน่าขึ้นลาไอแค่นี้ก็หมดไปแล้วนะ ถึง4 0ถึงของข้าวที่ปลูกไอ้ที่มาขายกันเนี่ยแค่ 20% เท่านั้นหละและที่ 20% นี่นี้ก็ซื้อไปตามบ้านก็สูญหายไปเน่าเสียไปเอามาปรุงเป็นอาหารก็กินไม่หมดอันนี้เลยว่าเพราะว่าซื้อนะไม่ไม่ได้ซื้อพอดีกับความต้องการ ถ้าเราซื้อพอดีนะแล้วก็ทำพอดีกินพอดีมันก็ไม่เกิดปัญหาสูงเสียมากมายแต่ตอนนี้เนี่ยเพียงแค่เราเรากินนะอย่างไม่ทิ้งคว้างเนี่ยปากแต่พอกินนะแล้วก็กินจนหมดนี่มันก็ช่วย ช่วยโลกได้เยอะละเพราะว่าไอ้ของเสียที่มันเกิดขึ้นเป็นขยะเป็นขยะเสร็จแล้วก็ทําลายสิ่งแวดล้อมเน่าเสียนการที่เรากินอาหารด้วยความรู้ค่ารู้คุณเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติทำได้ถ้าเรารู้สึกว่ารู้เห็นรู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรากินนะเราก็จะรู้สึกเป็นนีมบตญคุณนะของชีวิตและผู้คนที่ให้อาหารแก่เรา ก็ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของชีวิตที่ให้อาหารเราอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมหนึ่งที่เราควรจะทําทเป็นอา จ, จินเวลาก่อนที่จะกินอาหารนี่พระก็จะสวดนะเป็นภาษาบาลีไม่เลวสวดปฏิสังขายโยนะอันนี้ถ้าตาเป็นไทยก็มีความหมายนะเพื่อเตือนใจให้เรากินเนี่ย อย่างรู้ค่ากินเพื่ออะไรนะกินเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ด้านไม่ใช่กินเพื่อความเมระหลดอร่อยเพื่อความเพื่อเอสนุกสนานเพื่อความโก้เก๋แต่กินเพื่อบรรเทาความหิวแล้วก็ไม่ทำให้มีความทุกข์เพิ่มขึ้นบางคนกินไปแล้วความหิวหายแต่ว่าความทุกข์เพิ่มมาแทนคือความจุกความเสียดนะ อันนี้เพราะว่ากินอย่างไม่มีสติแล้วเดี๋ยวนี้โทษการกินอย่างไม่มีสติมันกม็มันไม่ได้แค่ถูกเสียเท่านั้นมันสะสมมากเข้าวก็เกิดไขมันปูตันตามเส้นเลือดตามเส้นเลือดที่ไปหลอเลืองหัวใจเส้นเลือดสมองสุดท้ายก็ป่วยนะตายก่อนวัยอันควรอันนี้ก็เรียกว่าถ้าไม่มีสติกินด้วยความเพลิดเพลิน ไม่มีปัญญาในการกินกินตามใจปากไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นโทษของมันมันก็สามารถจะก่อคลเสียแต่ตัวเราได้อันนี้ก็เป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งนะเจ็บป่วยเพราะว่ากินอาหารไม่มีสติไม่ใช้ปัญญาไม่ต้องไปโทษอดีตชาติกันนะไม่ต้องไปโทษกรรมใน ชาติที่แล้วว่าทำไมถึงป่วยแต่เป็นพราะการกระทำของเราในชาตินี้แหละกินยังไม่มีสติกินยังไม่ใช้ปัญญาผนะลร้ายก็สามารถจะส่งผลถึงเรานะโดยที่ไม่ต้องรอชาติหน้าอันนี้ก็นันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมทีนะ่ที่เราควรใส่ใจนะแล้วก็เตรียมรับพร